บัดนี้จักได้แสดงธรรมกกาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอสาการทำที่พึ่งด้วยธรรมพระพุทธภาสิทธอุทธาเนณ ป, ปมาเทนะสัญญาเมนะทเมเณจะที่ปังกริยาทเมทาวียังโอโคนา พิกิรติความว่าผู้มีปัญญาควรทำที่พึ่งที่น้ำคือกิเลสท่วมไม่ได้ด้วยธรรมคือความหมั่นขยันความไม่ประมาทความสำรวมและความฝึกอินทรีย์อธิบายความเกาะหรือที่พึ่งอันเกษมในที่นี้ท่านหมายเอาพระอรหัตผลเป็นที่พึ่งพำนักอันปลอดภัยในสาครคือ สังสาระอันลึกยิ่งนักเกาะนี้อันน้ำคือกิเลสท่วมไม่ถึงกิเลสอันเป็นดุดห่วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะมี4คือ 1. กามความใคร่ในกามมาคุณ5 2. พบความพอใจในพบในความเป็นนั่นเป็นนี่ 3. ทิฏฐิความเห็นผิด 4. อวิชชาความไม่รู้อริยสัจ4ี่ ท่านสอนให้สร้างเกาะด้วยธรรี่ประการเหมือนกันคือความเพียรวงเล็บอุทธธานะความไม่ประมาทอัปปะมาทะความสำรวมกายวาจาใจสัญญมะและการฝึกอินทรีย์คือระวังตาหูเป็นต้นมีให้ยินดียินร้ายเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเรียกว่าธรรมะเรื่องประกอบ พระจุลลบันทกพระจุลละบันทกเป็นชาวเมืองราชครมีพี่น้องด้วยกันสองคนพี่ชายชื่อมหาบันทกที่ชื่อบันทกเพราะเกิดในระหว่างทางความจริงมารดาของพระจุลบันทกเป็นถึงลูกสาวของเศรษฐีในเมืองราชครแต่ไปได้เสียกับคนใช้ของตนจึงละอายไม่กล้าอยู่ที่เดิม ชวนกันหนีไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักตนตั้งคันณนะที่นั่นเมื่อคันแก่ทิดาเศรษฐีบอกสามีว่าต้องการไปคลอดที่บ้านเดิมทำไมจะต้องไปคลอดที่นั่นสามีถามที่นี่ไม่มีญาติอยู่เลยการคลอดบุตรในสถานที่ที่ไม่มีญาติช่วยเหลือเป็นความลำบากภรรยาตอบแต่ที่บ้านไม่มีใครต้องการเรา คุณก็ทราบไม่ใช่หรือสามีออกความเห็นฉันกลัวจะถูกใกล้กลับมาในเวลาลูกลำบากใจของพ่อแม่ย่อมอ่อนโยนต้องการช่วยเหลืออยู่เสมอท่านคงไม่ถึงกับข้าเราดอกกระมังถ้าคุณไม่ไปฉันก็จะไปคนเดียวฝ่ายสามีผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยมาจนภรรยาไม่อาจคอยได้อีกต่อไป เพราะใกล้กำหนดคลอดเข้ามาเต็มทีวันหนึ่งเมื่อสามีออกไปธุระนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไว้ให้ช่วยดูแลบ้านและบอกสามีว่านางได้กลับไปบ้านเดิมสามีกลับมารีบตามไปไปพบนางในหนทางขณะนั้นภรรยาของเขาคลอดแล้วเขาดีใจที่ได้บุตรชาย ปรึกษากันว่าที่เดินทางกลับบ้านเดิมเพื่อสิ่งใดสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วเห็นจะไม่ต้องไปอีกจึงชวนกันกลับต่อมานางตั้งครรภ์ท้องที่สองและคงคลอดในทานองเดียวกันกับท้องแรกจึงตั้งชื่อลูกคนแรกว่ามหาปันทุกส่วนคนที่สองว่าจุลละปันทุก เมื่อลูกทั้งสองเติบโตขึ้นได้ยินเด็กๆด้วยการเรียกคนนั้นว่าตาคนนี้ว่าลุงแต่ตาและลุงของตนไม่มีจึงถามแม่แม่บอกว่าตระกูลของตาอยู่ในเมืองราชครืเป็นเศรษฐีมหาปันโถกจึงรบเร้าให้แม่พาไปหาตาและยายเมื่อภรรยานำเรื่องนี้ปรึกษาสามีเขาคงไม่กล้าไปอย่างเดิมภรรยาบอกว่า พ่อแม่ของนางคงไม่โหดร้ายถึงกับกินเลือดกินเนื้อเป็นแน่นอนฝ่ายสามีบอกว่าให้พาเด็กทั้งสองไปได้แต่จะให้เข้าหน้าพ่อตาแม่ยายนั้นไม่เอานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฐานะเดิมของเขาเป็นเพียงคนรับใช้และคนรับใช้อินเดียนั้นกลัวนายมากเพราะตนอยู่ในฐาะ น, นะต่ำหรือวรรณะต่ำสองสามีภรรยาตกลงใจพาลูกทั้งสองไปหาบารดาบิดา ไปพักอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองก่อนบอกเรือนและถนนให้เด็กเข้าไปหาคุณตาคุณยายส่วนตนรออยู่ที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐียังโกรธอยู่แต่เนื่องจากเห็นเป็นลูกหญิงจึงมอบทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งบอกให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามใจชอบแต่อย่าเข้าไปให้เห็นหน้าส่วนหลานทั้งสองนั้นเศรษฐีจะรับเลี้ยงไวย้ยสองสามีภรรยารับทรัพย์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิม เศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเสมอและชอบผามหาปัญทกไปด้วยจนมหาปันทกมีจิตใจอ่อนโยนน้อมไปในการบรรพชาจึงขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาบอกว่าการบวชของหลานจะเป็นความสุขของตามากกว่าการบวชของคนทั่วโลกถ้าคิดว่าบวชอยู่ได้ก็จงบวชเถิดมหาปัญถกบวช ได้พระเถระผู้ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชาไม่นานพระมหาปันถกก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อท่านได้รับความสุขอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงได้แล้วท่านก็ระลึกถึงน้องชายอยากให้ได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตคุณตาขอให้น้องชายจุละปันถกได้บวช ด, ด้วยเศรษฐีอนุญาตด้วยดีจริงอยู่ แม่เศรษฐีจะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เมื่อคนถามถึงแม่ของหลานว่าคือใครเศรษฐีต้องตอบว่าเป็นบุตรที่หนีไปดังนี้ก็ให้รู้สึกละอายอยู่บ้างเมื่อพระมหาปันโถกรารพอยากให้น้องชายบวชท่านเศรษฐีจึงอนุญาตอย่างง่ายดายเมื่อจุลปัญโกบวชแล้วพี่ชายก็ให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิและปัญญาให้ศึกษา บางอย่างอันควรศึกษาแต่ปรากฏว่าพระจุระปันถุกโง่เหลือเกินแม้ข้อความเพียงเท่านี้ดอกบัวโกโกนุษย์มีกลิ่นหอมบานแต่เช้ากลิ่นย่อมหอมกลุ่นอยู่เสมอชันใดเธอจงมองพระอังคีรัสะพระพุทธเจ้าผู้รุ่งโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์สองแสงในกลางหาวฉะนั้นพระจุระปันถุกท่องอยู่สี่เดือนก็จาไม่ได้ เรียกว่าโง่อย่างขนาดหนักแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถูกทางก็สามารถสำเร็จมรรคผลได้เหมือนกันท่านกล่าวว่าเหตุที่พระจุลปันถกโง่นั้นเพราะกรรมเก่าคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัศปะท่านบวชในศาสนานั้นเป็นผู้มีปัญญาดีภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขลาท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกหัวเราเยะ พิกษุนั้นเกิดความละอายจึงเลิกเรียนไปเพราะวิบากกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันทกเป็นผู้เขาในการบัดนี้พระมหาปันทกเห็นว่าน้องชายของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกให้ศึกไปทำมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบ่นอยู่ถึงสี่เดือนยังจำไม่ได้จะทากิตของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไร ฝ่ายพระจุระปันทกผู้น้องไม่ปรารถนาศึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันทกเป็นเจ้าหน้าที่พัตุเทศคือผู้แสดงพัดคืออาหารถือเอาความเป็นเจ้าหน้าที่รับนิมนต์แล้วแจกจ่ายภิกษุไปตามที่นิมนต์ต่าง ใครจะนิมนต์พระไปฉันทที่บ้านของตนต้องไปติดต่อกับพระพุทธเทศตำแหน่งนี้ได้รับแต่งตั้งจากสง์วันนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒเจ้าของอัมพวันไปเฝ้าพระาศาสดาที่อัมพวนารามนั่นเองฟังพระธรรมเทศนาแล้วต้องการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นจึงไปหาพระมหาปัญทกถามจานวนภิกษุในอัมพวันว่ามีเท่าใด มีห้าร้อยรูปเจริญพรพระมหาปันทกตอบกระผมนิมนต์ฉันที่บ้านทั้งหมดพรุ่งนี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกพูดแต่มีภิกษุโง่รูปหนึ่งนะโยมไม่เจริญงอกงามในธรรมวินัยอาตมาเว้นภิกษุรูปนี้เสียรูปหนึ่งนอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้พระจุระปันทกได้ยินดังนั้นเสียใจมากปรงใจว่าพี่ชายไม่ได้เยื่อใ่ในตนเลยรับนิมนต์ ให้ภิกษุอื่นถึง499รูปเว้นตนเสียจะอยู่ไปทำไมในศาสนานี้จะเป็นครือขัดทำบุญให้ทานไปตามสามารถวันรุ่งขึ้นพระจุระบรรทกออกจากวัดแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปศึกและวันนั้นพระศาสดาผู้โลกนาฏทรงตรวจดูบุคคลที่ควรจะเสด็จไปโปรดได้ทรงเห็นพระจุระ กเข้าไปในข่ายพระยานจึงเสด็จไปดักอยู่ที่หน้าวัดแต่เช้าตรูพระจุระบรรทกเดินทางมาพบพระศาสดาจึงเข้าไปถวายบังคมจะไปไหนจุระบรรทกตรัสถามด้วยพระกระแสเสียงอันนุ่มนวลเจือด้วยพระเมตตากรุณาจะไปสึกพระเจ้าข้าพี่ชายเขาไล่ไม่ยอมให้อยู่จุระบรรทก เธอบวชในสำนักของเราบวชอุทิศเราเมื่อถูกวิชายขับไล่ฉไนจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่าอย่าศึกเลยจุระปันทกมาเถิดมาอยู่กับเราตัดดังนั้นแล้วทรงเอาพระหัตรูปศรีรษะพระจุระปันทกด้วยพระไทยกรุณาอย่างความปราบรื่มให้เกิดแก่พระจุระปันทกเป็นล้นพน้นแล้วนำไปสู่สำนักของพระองค์ให้จุระปันทกนั่งที่หน้ามุขพระคันทกุดี ทรงพิจารณาว่าจุระปันทกนี้มีบา ร, รมีมาทางใดหนอทรงทราบด้วยพระญาณโดยตลอดแล้วจึงประทานผ้าเช็ดหน้าสีขาวให้ผืนหนึ่งพร้อมรับสั่งว่าจุระบันทกเธอนั่งพินหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูปผ้าผืนนี้พรางบริกรรมวงเล็บนึกในใจหรือออกเสียงเบาๆว่ า, วาระโชหระนังระโชหระนัง วงเล็บผ้าเช็ดทุรีผ้าเช็ดทุรีดังนี้แล้วได้เวลามีผู้มาทูลราตนาเสด็จไปบ้านหมอชีวกฝ่ายพระจุรปันธกนั่งมองดูดวงอาทิตย์มือรูปผ้าพรางบริกรรมว่าระโชหระณังระโชหราณังเมื่อมองดูผ้าบ่อยบยได้เห็นผ้านั้นเศร้ามองไปท่านจึงคิดว่าผ้านี้สะอาดแท้ แ, ทแต่อาศัยอัตภาพนี้มันจึงเศร้ามองไป สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอดังนี้แล้วเริ่มมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมแห่งสังขารทั้งปวงจเจริญวิปัสสนาอยู่พระศ า, าสดาประทับนั่งอยู่บ้านหมอฉีวกทรงพระยานตามกระแส จ, จิตของพระจุระปันทกทรงทราบว่าบัดนี้จิตของพระจุระปันทกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุระปันทกเธออยากคิดแต่เพียงว่าท่อนผ้านี้เท่านั้นเศร้าหมองเปื้อนทุลี แต่เธอจงคิดถึงธุลีภายในด้วยนั่นคือราคะโทสะและโมหะอันอยู่ภายในเธอจงนำเอาธุลีนั้นออกเสียพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีมาปรากฏประหนึ่งประทับอยู่เฉพาะหน้าของพระจุระปันทกแล้วตรัสอีกว่าราคะโทสะและโมหะเราเรียกว่าธุรีฝุ่นละอองหาใช่ธุรีไม่ คำว่าทุรีเป็นคำเรียกราคะโทสะและโมหะภิกษุละทุรีมีราคะเป็นต้นได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุรีในการจบพระดำรัตพระจุระปันถกได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลาย พระจุระปันทกมีอุปนิสัยมาทางผ้าเปืือนทุลีพระาศาสดาได้ประทานอุปกรณ์อันเหมาะสมแก่อุปนิสัยของท่านจึงสําเร็จได้เร็วเรื่องของท่านเป็นดังนี้ในอดีต ท, ท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งวันหนึ่งทรงทำประทักษิณพระนครเมื่อพระเสโทไหลาจากพระนาราศทรงเอาผ้าสะอาดเช็ด พระเศธโธนั้นทรงได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้ามองแล้วเพราะอาศัยสรีระนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออนิจจสัญญาได้ฝังเป็นอุปนิสัยของท่านตั้งแต่นั้นมาผ้าเชตุรีจึงเป็นปัจจัยแห่งอุปนิสัยของท่านพระศาสด า, สดาทรงทราบเรื่องนี้ดีหมอชีวกได้น้อมน้ำทักษิโนโทกเข้าไปถวายพระศาสดาแต่พระองค์ไม่ทรงรับ ตรัสถามว่าชีวกภิกษุในอารามยังมีอีกไม่ใช่หรือหมอชีวกทูลว่าในอัมพวันไม่มีภิกษุอยู่เลยไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าแต่พระาศาสดาตรัสยืนยันกับหมอชีวกว่ามีอยู่หมอชีวกวให้คนไปดูขณะเดียวกันนั้นพระจุรปันถกทราบเรื่องนั้นโดยตลอดด้วยเจโตปริยญาณและทิพจักสุจึงเนรมิตตน เป็นภิกษุถึง 1,000 รูปเต็มอัมพรวันบางพวกซักจีวรย้อมจีวรบางพวกทำกิจต่างๆและบางพวกกาลังสาธยายธรมเป็นต้นคนของหมอชีวกกลับมาบอกนายว่าในอัมพวันมีพระเต็มไปหมดพระศาสดาตรัสว่าให้ไปถามหาพระจุละปันทกเมื่อบุรุษนั้นไปถามทุกรูปบอกว่าชื่อจุละปันทก พระศาสดารับสั่งให้เขากลับไปอีกครั้งหนึ่งตรัส บ, บอกว่ารูปใดเอ่ยขึ้นก่อนจงจับมือรูปนั้นไว้พระอื่นๆจะหายไปเขาไปทําตามนั้นจึงได้พระจุระปันทกมาพระศาสดาหให้หมอชีวกรับบาดของพระจุระปันทกเป็นเชิงให้พระจุระปันทกอนุโมทนาพระเทระบันลยศสีหานาหวงเล็บดุดดังสีหรุ่นคนอง ขยเอยพระไตรปิฎกให้ไหวแล้วด้วยปัญญาอันมาพร้อมกับอริยมรรคพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมถึงพระขันธกุฎีทรงยืนที่หน้ามุขพระขันธกุฎีประทานพระสุขโต ว, วาทพอสมควรแล้วเสด็จเข้าภายในพระขันธกุฎีบรรทมด้วยสิห์สายยาการเย็นวันนั้นภิกษุนั่งสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระจุระปัญทก ที่สามารถสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการช่วยเหลือของพระศ า, ศาสดาและว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกโดยแท้น่าอัศาจ ร, ร์ในพระกาลังของพระพุทธเจ้าส่วนพระมหาปันถกไม่รู้ปณิสัยของน้องชายจึงไม่อาจให้เรียนรู้สิ่งใดได้พระาศาสดาทรงเป็นที่พึ่งของพระจุลปันถกอย่างยอดเยี่ยม พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันด้วยทิพยะจักสุแล้วทรงดำริว่าเราควรไปยังธรรมสภาดังนี้แล้วสเสด็จลุกจากพุทธสยยาสเสด็จไปยังธรรมสภาด้วยพุทธลีลาอันงามยิ่งสเสด็จขึ้นสู่พุทธอาจอันเตรียมไว้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีหกสีออก อ, อ, อ่อนประหนึ่งสุริโยไทยเริ่มทอแสง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภิกษุทั้งหลายหยุดสนทนานั่งนิ่งเงียบพระโสดตเจ้าทรงมองดูภิกษุบริสัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริสัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือขนองเท้าหรือเสียงไอเสียงจามของภิกษุสักรูปหนึ่งมิได้มีเธอทั้งหลายมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งหากเราไม่พูดขึ้นก่อนจะไม่มีใครพูดเลย แม้จะนั่งอยู่ชั่วอายุก็ตามดังนี้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากำลังพูดกันในเรื่องใดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุรปันถกจะเป็นผู้โง่เขลาในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยได้โง่เขลามาแล้วอันหนึ่งเราเป็นที่พึ่งของเธอเฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ แม้ในการก่อนก็เคยเป็นที่พึ่งของเธอมาแล้วเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าในการก่อนเราทำให้เขาได้โล ก, กิยทรัพย์แต่บัดนี้ให้ได้โลกุตระทรัพย์พระศาสด า, สดาทรงนาเรื่องอดีตของพระจุระปันทกมาเล่าดังนี้ในอดีตการมานบคนหนึ่งชาวเมืองพรารานสีไปศึกษาศิลปศาสตร์ในเมืองตกศิลาเป็นคนดีมากพลนิบัต อาจารย์ด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานและการศึกษาทุกอย่างแต่เป็นคนโง่เขลาอาจารย์สงสารเขาพยายามให้เขาศึกษาด้วยความตั้งใจดีอย่างยิ่งเพราะเราเลือกว่าสิทธิคนนี้มีอุปการะมากแก่เราแต่ก็ไม่สามารถให้เขาเรียนรู้อะไรได้เขาอยู่กับอาจารย์เป็นเวลานานหลายปีแต่สักคาถาเดียวก็จาไม่ได้ มองเห็นตนเป็นผู้อาภัพในการศึกษาจึงเข้าไปลาอาจารย์กลับบ้านอาจารย์รักศิษย์คนนั้นมากอยากจะให้เขาได้อะไรไปสักอย่างหนึ่งจึงผูกมนขึ้นบทหนึ่งพาเข้าไปในป่าแล้วให้เรียนมนบทนั้นอ่าหมายหวายว่ า, า, วาท่านอ่านต่อไปจะเห็นว่าอาจารย์ผู้นี้ต้องมีญาณรู้อนาคตมิฉะนั้นจะมอบคาถาแบบนี้ให้ไม่ได้เมื่อมานบ จดจำได้แล้วจึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมสั่งว่าเมื่อว่างและนึกขึ้นได้เมื่อไหรก็จงท่องมนบทนั้นเสมอๆ ม, มานพ ร, รบคำของอาจารย์ด้วยเคารพแล้วเดินทางกลับมารดาบิดาต้อนรับเขาอย่างดีด้วยหวังว่าบุตรศึกษาสำเร็จกลับมาครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพราราณสีส่งดำริว่าจักสอบสวนความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อเรา และจากดูทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังนี้แล้วทรงปลอมพระองค์สเสด็จไปแต่พระองค์เดียวในเวลาค่ำคืนคืนหนึ่งทอดพระเนตรเห็นพวกโจรกำลังจะเข้าลักของในบ้านหนึ่งจึงทรงแอบซุ่มสังเกตอยู่เมื่อโจรเข้าบ้านได้กำลังสํารวจสิ่งของอยู่มานบหนุ่มเจ้าของบ้านได้สาทะยายนมนขึ้นว่าคเตสิคเต ส, เตสิกิงการนาคเตสิ อหั่งปิตังชานามิชานามิวงเล็บหรือความหมายว่าเจ้าพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดเจ้าพยายามเพื่ออะไรเรารู้เรารู้ความพยายามของเจ้าโจนได้ยินดังนั้นพากันวิ่งหนีผ้าผ่อนหลุดลุยวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษมาเชิญมานุบหนุม น, นั้นเข้าเฝ้าเธอเรียนสำเร็จมาจากตะกะศิลาหรือพยาคา เรียนอะไรเรียนมนมาบทเดียวพะยาคะบอกเราบ้างได้หรือไม่ได้พยาคะแต่ต้องประทับบนอาสนะที่เสมอกันขณะทรงเรียนได้เป็นไรไปพระราชาทรงยืนยันเมื่อพระราชาเรียนมนบทนั้นจบแล้วได้พระราชาทานทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาเสนาบดีของพระราชาคนหนึ่งคิดทรยศเข้าหาช่างกาบกขอให้ช่างการบกคือช่างตัดผม ตัดพระสอพระราชาคณะปรงพระมัสสุเมื่อตนได้เป็นพระราชาแล้วจะให้ตําแหน่งเสนาบดีแก่ช่างการระบบช่างการระบบตกลงวันหนึ่งขณะกําลังปรงพระมัสสุเขาสะบัดมีดโกนรู้สึกมีดคมร้อยไปหน่อยหนึ่งกําหนดว่าจะตัดฉับเดียวให้ขาดเลยจึงไปยืนสะบัดมีดโกนอยู่เพื่อให้คมเต็มที่พระราชาทรงระลึกถึงมนที่เรียนมาจากมานบได้จึงสาธยาย ขึ้นว่าคาเตสิคาเตสิกิงกรนาคาเตสิหั่งปิตังชานามิชานามิช่างกระบบกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระราชาทรงทราบความพยายามของตนจึงตกใจตัวสั่นเหงื่อโซมหน้าทิ้งมีดโกนแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาธรรมดาพระราชาย่อมเป็นผู้ฉลาดทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นทรงอนุมานว่า ต้องมีการคิดร้ายขึ้นอย่างแน่นอนจึงทรงตาวาดว่าเฮ้ยไอช่างกระบกมึงเข้าใจว่ากูไม่รู้ทั้งความพยายามของมึงหรือช่างกระระบกรับสารภาพหมดทุกอย่างพระราชาทรงอนุศน์ถึงมานพหนุ่มผู้เป็นอาจารย์บอกมนว่าทรงรอดชีวิตครั้งนี้ได้เพราะมนบทเดียวนั้นทรงในประเทศเสนาบดีและพระราชาทานตาแหน่งเสนาบดีให้แก่มานพหนุ่มเจ้าของมน พระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาแล้วตรัสว่ามานพหนุ่มนั้นคือจุลปันทกอาจารย์ที่สาปามโมก ค, คือพระองค์เองนอกจากนี้ยังได้ทรงนำเรื่องอดีตของพระจุลปันทกสมัยเป็นคนรับใช้ของจุลกะเศรษฐีซึ่งสามารถตั้งตัวได้ด้วยการขายหนูตายเพียงตัวเดียวเป็นต้นทุนจนเป็นเศรษฐีมาให้ภิกษุทั้งหลายฟังอีกแล้วสรุปว่า คนมีปัญญาย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้เพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลูกเป็นกองใหญ่ฉะนั้นเมื่อทรงปรารพถึงโลกุตระสมบัติอันพระจุระปันถกได้อันชื่อว่าได้ที่พึ่งอันกเกษมคือพระอรหัตผลพระาศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าอุตถาเนนปปมาเทนะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นฉนี้ 4. ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพยบูรณ์พระพุทธภาษิตปรมาทะมนุยุนชันติพาลาทุมเมทินโ น, นาอัปปมาธันจะเมทาวีทนังเศรษฐังวรคติมาปรมาธระมนุยุนเชะมากามระติสันทวังอุปมตัตโตหิชายันโตปปโปติวิปุหลังสุขัง ความว่าคนพาลด้อยปัญญาย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไวเหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมยินดีในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพ่บูร์อธิบายความทางแห่งการบรรลุสุขอันไพยบูร์ในที่นี้คือความไม่ประมาท ความประมาทคืออาการนอนใจไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบครอบคนพาลชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นถ้านงตนว่าเก่งที่สามารถทาความชั่วได้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไวเหมือนทรัพย์อันประเสริฐ เหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดาเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้วย่อมรักษาความไม่ประมาทนันไว้เพื่อความสุขอันไพบูรณ ส่วนที่ทรงเตือนไม่ให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายประการทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆ่าตกรรมน า, นานาประการที่สำคัญที่สุดคือกามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เล่าร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพัดพลากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพัดพลาก ผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูนความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพยบย์ได้ลักษณะแห่งคนพานและบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพานแม้เมื่อเล่นก็เล่นอย่างพันพานดังตัวอย่างต่อไปนี้เรื่องประกอบพานนักสัตพานนักสัตแปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพานสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการป่าวประกาศ ให้มีพานนักษัตทั่วเมืองพวกคนพานพากันเอาขี้เท่าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสั ป, ปดนคำว่ า, าให้ความหมายว่าปัจจุบันอินเดียมีวันเล่นสีอยู่วันหนึ่งคล้ายเราเล่นสงกรานต์แต่เขาใช้สีป้ายหน้าทาตัวกันจนดูไม่ได้ทั่วเมืองเปืไปหมดทราบว่าที่เอาสีทาอวัยวะสืบพันธ์แก้ผ้า ให้เพื่อนถามไปทั่วถนนก็มีไม่ได้เห็นเองมีเพื่อนมาบอกเชื่อว่าน่าจะจริงเพราะคนอินเดียแก้ผ้ากลางถนนได้เล่นสับ ป, ประรดต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมืองไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือวันพระชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ผู้ดีไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ซับบาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสาวัตถีมีอริยะสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้นได้เห็นการเล่นเรื่องของคนผ่านแล้วได้ขอร้องมิให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลาถึงเจ็ดวันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนาไปถวายมิให้เดือดร้อน พอวันที่แปดอริยสาวกก็ทูลเชิญพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยที่บ้านของตนของตนและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เจ็ดวันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเลือกเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทำลายไม่มีใครละอายใครกันเลย พวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเลยเหมือนกันพระศาสดาตรัสว่ากิริยาของพวกคนผานย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอมะตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกวายนะ้งเบื้องต้นแล้วนั่นแล ปัญญาเพียงดังปราศาสตรพระพุทธภาษิตประมาทังอัปมาเทนะยะทานุทติปันดิโตปัญญาปราษาธมารุยะอาโศโกโกสินิงประชังปภ ะ, ะตัทธวกุ ม, มททัทเถทีโรพาเลอเวคติ ความว่าเมื่อใดบัณฑิตบันเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตรได้นักปราดเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนพานผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนบนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้นสามารถบันเทา ได้ด้วยความไม่ประมาทคือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ําเก่าอันขุนออกแล้วใส่น้ําใหม่ที่ใส่สะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทําได้แล้วไม่ให้เสื่อมลงไปอีกปีด ก, กันความประมาทที่ห่างไปแล้วมิให้เข้ามาอีกดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบ ย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุดปราสาสตรกล่าวคือทิพย์ะยักษสุขอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์โลกทั้งหลายผู้เคลื่อนจากพบอยู่คือจุติและเกิดอยู่คือปฏิสนธิเหมือนคนยืนอยู่บนปราสาสตรมองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราศาสตรอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้าง เพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างโลกโลกโดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปราศเช่นนั้นย่อมมองเห็นคนผ่านเป็นผู้น่าสังเวชสงสาร เหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขาพระพุทธภาสิทธินี้พระาศาสดาตรัสเพราะปรารบพระมหากระสปะเทระมีเรื่องดังนี้เรื่องพระมหากระสปเทระพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวานารามพระมหากระสปะอยู่ประจําที่ปิปริคูหากรุงราชคฤื้เช้าวันหนึ่งออกบินธบาตในกรุงราชคฤื้กลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกสิน วงเล็บคือการกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุติอยู่บ้างเกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้าและบนภูเขาเป็นต้นด้วยทิพจักสุขณะนั้นพระาศาสดาประทับนั่งในเศตวนารามทรงตรวจดู ด, ด้วยทิพจักสุเหมือนกันว่าวันนี้กสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรนอทรงทราบแล้วจึงตรัสว่า การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กําหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระศาสดาทรงแผ่พระศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากระสปะแล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น ผู้ตื่นอยู่เสมอพระพุทธภาษิตอปมัตโตปมัตเตสุสุดเตสุภูชาคโรอภรัสสังวสีขัตโศหิตวายาติสุเมทโศความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมาก ย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกําลังไปฉะนั้นความหมายผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติท่านเรียกว่าผู้หลับหลับอยู่เป็นนิดส่วนผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดีโดยปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงพระกีนาศพคือผู้สิ้นกิเลสแล้ว กล่าวโดยปริยายสามันคนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะสามประการคือไม่ประมาทมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนและมีปัญญาดีย่อมเอาชนะผู้อื่นได้โดยง่ายเป็นเสมือนม้าฝีเท้าดีคนอย่างนั้นย่อมระลึกอยู่เสมอว่าใครจะประมาทก็ช่างเขาเราไม่ประมาทใครจะหลับนอนอย่างเปลี่ยดครานก็ช่างเขาเราตื่นอยู่ ทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอจะเรียนหรือจะทำงานก็จเจริญรุดหน้าได้ทั้งสิน้นบางคนมีสมองดีแต่เกียจคร้านบางคนสมองสติปัญญาไม่ดีแต่ขยันคือได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งถ้าใครได้ทั้งสองอย่างคือทั้งสติปัญญาดีและทั้งขยันหมั่นเพียรมีกำลังกายดีคนนั้นย่อมจเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน พระพุทธภาสิทธิ์นี้พระาศาสดาตรัสเพราะทรงปรารบพิกสุสองสหายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบภิกษุสองสหายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิกสุเป็นสหายกันสองรูปเรียนกรรมฐานจากพระาศาสดาแล้วไปพำนักอยู่ในป่ารูปหนึ่งเร่งทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทส่วนอีกรูปหนึ่ง เที่ยวหาฟืนในตอนเย็นนำมากองไว้แล้วผิงไฟคุยกับภิกษุสามเณรตลอดปฐมยามวงเล็บสี่ชั่วโมงแห่งาราตรีภิกษุไม่ประมาทเตือนว่าผู้มีอายุอย่ามัวทำอยู่อย่างนั้นเร่งทำความเพียรเข้าเถิดอบายสี่เป็นเช่นเรือนนอนแห่งผู้ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้โอ้วดและประมาทแต่ภิกษุผู้ประมาทหาเชื่อฟังไม่ มีหนำซ้ำเมื่อภิกษุผู้สหายทำความเพียรพอสมควรแล้วเข้าห้องเพื่อพักผ่อนในมัชชิมยามก็ตามเข้าไปว่าท่านเกียรตคร้านมากท่านมาอยู่ป่าเพื่อนอนหลับหรือท่านเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วควรจะลุกทำความเพียรตั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนงานที่ภิกษุรูปนี้ทาประจาก็คือคุยและนอน กลับเข้าไปเปรียบเปรยภิกษุผู้สหายผู้ทําความเพียรส่วนภิกษุผู้ทําความเพียรพักผ่อนในมัชชิมยามแล้วลุกขึ้นทําสมณธรรมในปัชิมยามไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสองรูปไปสู่สํานักพระศ า, าสดาพระองค์ตรัสถามว่าทั้งสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดพรรษาหรือ กิจแทงบันพชิตได้ทำให้สิ้นสุดแล้วหรือพิกษุผู้ประมาททูลว่าตนเองได้ออกหาฝืนแต่เวลาเย็นนามาก่อไฟผิงนั่งผิงอยู่ตลอดปฐมยามไม่ได้หลับนอนส่วนพิกษุอีกรูปหนึ่งเอาแต่นอนอย่างเดียวพระาศาสดาตรัสว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วยังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทอีกส่วนบุตรของเราผู้ไม่ประมาทเธอมาบอกว่าประมาท เธอเป็นเสมือนม้าธุรพลขาดเชาเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนบุตรของเราเป็นเสมือนม้าที่มีเชาดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นโดยประการชนิด